อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะขอนํารายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะได้มาสาชธาหรือว่าสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนค่ะเราจะสนทนากันในช้าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรการปริเล้นปฏิบัติธรรม ตามหลักพุทธวจนะของทางวัดป่าดอนหโศก ค, ค่ะเนื่องจากว่ามีท่านฟังทางบ้านนะคะซึ่งเป็นแฟนรายการแล้วก็เป็นแฟนประจำของท่านพระอาจารย์ภัยบูร์อภิพุรโ น, โนพระอาจารย์ของเราก็เขียนมาถามกันมากมายเลยนะคะสนใจอยากจะเข้าร่วมาการปฏิบัติบริกล้นที่ล่าสุดนะคะก็จะมีคุณสุภ า, าจันนิรัตจากอาเภอเมืองจังหวัดอยุธยา แล้วก็คุณขนบประภาวงจากอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิก็เขียนถามามามากมายนะคะดังนั้นในเช้าวันนี้ดิฉันก็อยากจะขอที่โอกาสที่ว่าจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะได้มากราบน้ำมการพระอาจารย์ไผ่บุญอภิปุโนกราบน้ำมการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพา์ ดังนั้นอันเดียยวนิโยมก็กราบข อ, ขอความเมตตาพระอาจารย์ไพภูพณุพิคุโนโดได้เมตตาที่จะสาธยายหรือได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านผู้สนใจทั้งที่ถามมาคือคุณสุภาจากอายุธยาและก็คุณขนบจากชัยภูมินะเจ้า ค, ะค่ะว่าถ้าหากว่าสนใจแล้วเนี่ยจะไปร่วมยังไงหลักสูตรของเราะจะตั้งขึ้นมาดีอย่างไรเจ้าคะ่ะขออนุญาตกลับนิมนต์เลยเจ้าคะ่ะก็จะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติต้องนิดหนึ่งเพราะว่ามีจดหมายจากท่านผู้ฟัง คือตรงจดหมายนี้ก็ได้คุยไปแล้วนิดหนึ่งในวันพุทธที่ผ่านมาแต่ว่าตรงนั้นเราก็ต้องตอบจดหมายฉบับอื่นด้วยก็เลยทําให้มีเวลาน้อยจึงจะขอใช้โอกาสในช่วงที่สักษ า, า, าคุณเตือนใจด้วยนั้นเนื่องจากคุณเตนใจก็ได้เคยไปหลีกเล่นปฏิบัติมาด้วยนะ <Okay. S 1> มาทําความเข้าใจอธิบายให้ถึงการหลีกเล่นปฏิบัตินี้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็จึงต้องทําความเข้าใจอันดับแรกก่อนว่าการปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติก่อนนะคุณเตือนใจ อย่างการปฏิบัติเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติได้นะอันนี้พระพุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้นะถ้าคุณอยู่ใกลร100้อยโยอดพันโยอดถ้ามีสติในลมหายใจอา่าถือว่าบูชาละได้ละได้เหมือนกันแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ยังเคยพูดถึงเรื่องนอกแขกเต้าใช่ไหมนกแขกเต้าที่เขาถูกนอกอินทรีจับไปน ะ, ะแล้วก็ก็ไปทานนกอินทรีว่างั้นทํามาอยู่ในที่อยู่ชั้นเธอจับชั้นไม่ได้แน่นะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทืยบที่อยู่ของนอกแขกเต้าเนี่ยเหมือนกับสติประฐานทั้ง4 ถ้าเรามีสติปัฏฐานสี่อยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติได้ <Okay. S 1> น, น, นี่คือลักษณะของการปฏิบัติมันมีอีกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทําอยู่เป็นประจําเพิ่มเติมขึ้นมาจากการที่พระองค์มีสติอยู่ในลมหายใจอยู่แล้วเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการหลีกเร้นและคือบางทีเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมใช่ไหมคุณเต๋ใจ <Okay. S 1> อุ้ยคนเป็นลเป็นอ้ยเยอะมากบ้างกันเถอะทั้งกระดับบดีราชาหมาข้าศัตริย์อะไรคนต่างๆฟ้างธรรมะเต็มไปหมดอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขาใช้เครื่องกระสายเสียงกันยังไงน ะ, งะ ก, ก็ยังง ง, งอยู่เหมือนกันแต่ว่าคเคยมีอธิบายว่าคนมากจริงๆนะมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนั้นก็ตามพอคนมากขนาดนี้เนี่ยคําถามแรงต่างก็มีมานะแล้วทุกคนก็ฟังธรรมนิ่งไปเลยบ้างพิกษุเป็นหลายๆร้อยรูปเนี่ยนั่งอยู่ฟังธรรมพุทธเจ้านิ่งอย่างเดียวเนี่ยออพอเจอคนมากมายอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จะหาเวลาหนึอน่ออกมาคนะตื้นใจหาเวลาสักสวันบ้าง หรือแค่ครึ่งวันพระองค์ก็ทํานะไปหลีกเร้นะนะหลีกเร้นอยู่ในกุฏิคนเดียวบ้างถ้ามีเวลามากหน่อยก็ไปหลีกเร้นตามราวป่าบ้างนะไปมีเวลามากหน่อย7วันเดือนหนึ่งสเดือนบางทีเนี่ยหายไปเลยนะไม่พบปะผู้คนไม่เจอใครเลยบินตาบัดก็ไม่ไปนะมีภิกษุที่เอาอาหารบินตาบัดไปให้เท่านั้นเองนะแล้วก็ไม่คุยกับภิกษุรูปนั้นด้วยแล้วก็แค่แบบมารับเอาเอาหารเอาบาดตั้งไว้ตงนี้นะฉันก็มาฉันฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็อาบาดไปล้างแค่นี้เอง แล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับใครพระอนต์ก็ไม่ได้ไปด้วยนะในการหลีกเร่นนั้นพระเจ้าอยู่องเดียวจริงๆนะไม่มีอุปถากอะไรทั้งสิ้นซึ่งตรงนี้คืออะไรคืออย่างเราเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์คุณต้นใจอย่างนุ้งปูมั่นนุ้งปูเสาหรือว่าใครๆพวกหลวงตามหาบัวอย่างเงี้ยเวลาท่านไปออกออกป่าอย่างเงี้ยเพื่อที่จะอยู่องคเดียวนี่คือท่านเป็นหลีกเล่นไงไม่เจอใครเลยนะเจอแบบอยู่องค์เดียวสององแค่นี้เองแล้วไปบินตบายมากินแล้วก็ เดิจงกรมนั่งสมาธิตลอดทั้งวันนี่คือการหลีกเลนแบบที่ครูบาอาจารย์เขาทำกันจริงๆจุ๊ค่ะทำแบบเป็นเรื่องบรรณาลอะไรนั่นคือของจริงเลยนะั่นคือถ้าคุณไปอยู่ป่าจริง ๆ, ง ๆ, ง ๆ, งๆทีนี้ที่วัดป่าดอนไหลโศกเราทำอะไรนะเราก็พยายามจะจำลองตรงนี้ขึ้นมาให้ครวาาทีา่มีกิจการงานมากเนี่ยพอที่จะทำไดนะ้คือเราไม่ใช่ว่าจะให้คุณไปอยู่ป่าอยู่กันดานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่า <Okay. S 1> เราให้มาอยู่ในเซนาสนะที่เราจัดไว้ให้เป็นการหลีกเลนนะเราก็จะมีกฎของการหลีกเลนคือการไม่ให้พูดคุยอยอ่างเี้ นะให้เหมือนอยู่คนเดียวในโลกนะัคือสร้างเอาจำลองเอาขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นะซึ่งไอ้การหลีกเลนตรงเนี้ย เ, เราก็ควรทําเพิ่มเติมจากการปฏิบัติของเรานะมี<ด>ท่านผู้ฟังหลายๆท่านเหมือนกันที่มีความเห็นนะที่เขียนมาในเว็บไซต์ก็มีนะว่ า, าคิดว่าการปฏิบัติอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ใช่ไหมคุณสามารถปฏิบัติที่ไหนก็ได้อันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องไหมก็ต้องบอกว่าเห็นถูกต้องอยูนะ่เราอยู่ที่บ้านเรา เราทำได้เราเห็นลไมไปใช่อันนี้ดีแล้วนะแล้วก็เราไม่ออกจากสถติประญาสี่ก็ชี้ว่าคุณอยู่ในในบริเวณที่ดีไม่ไม่ออกไปจากที่เที่ยวแห่งบิดาของตนในะเรื่องสถานที่เนี่ยเราก็พิจารณาดูนะว่าถ้าเราอยู่ที่ไหนเราภาวนาได้อันนั้นก็ดีนะก็แค่นั้นเองทีนี้การหลีกเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําเพิ่มเติมเท่า น, นั้นเองทีนี้ในเรื่องระบบระเบียบของการหลีกเล่นที่ที่วัดปาาอนุชโยกเราเคยเราทํามาอยู่เป็นประจำนะ ก็คือเราจะจัดให้มีอยู่ทุกเดือนนะโดยทุกๆเดือนเนี่ยผู้ที่จะมาดีกล่นได้ก็รับทุกคนนั่นแหละนะแต่บางทีมันมากเราก็จะต้องเลื่อนไปของเดือนถัดไปนะคือต้องต้อ ง, ตองอเต็มก็คือปิดน ะ, คคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีคนมากเกินไปแล้วควบคุมไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้การปฏิบัติของส่วนรวมเนี่ยมันเสียไปเลยคค ะ, ะก็จะต้องรับแค่ประมาณ90้าสิบคนไม่ให้เกินร้อยคนอย่างเงี้ย ก็เรียกว่าปฏิบัติกันอย่างเคร่งครักันจริงๆนะเจ้าคะ่ะโยมก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไปบุญอภิพุโญเจ้าค่ะที่จะได้อาชิแจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะผู้สนใจเนี่ยได้รับทราบกันเลยเจ้าค่ะว่าถ้าเปิดสนใจจะไปร่วมในหลักสูตรที่พระอาจารย์ไปบุญเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอยู่นั้นนะเจ้าคะ่ะมีกฎระเบียบอะไรบ้างและต้องดําเนินการอย่างไรเจ้าคะ่ะนิมนต์เจ้าคะ่ะพูดถึงกฎระเบียบก็คือว่า บางคนอาจะจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปช่วงไหนได้บ้างใช่ใชก็จะมีเดือนหนึ่งมันมีเวลาอยู่แล้วกำหนดไว้แน่นอนอยู่ละเรามีตารางตลอดปีนะคือใน18เดือนล่วงหน้าเนี่ยเราจะมีตารางอยู่แล้วนะังนั้นท่านผู้ฟังก็ดูเอาได้จากไหเจ้าคก็ไปที่เว็บไซต์หลวงพ่อด็อกเตอร์ก็ได้หลวงพ่อด็อกเตอร์ o อทคอมลูเอนจีพีโอดีดคอมนะในเรื่องของวันเวลานี้ ก็จะเป็นเวลา7วันนะที่เราจะมาหลีกเลนกันทีนี้7วันนี้เราจะต้องไม่ได้นับรวมวันเดินทางนะเพราะนั้นก็ต้องยืดไปอีกวันเดินทางมากับวันเดินทางกลับเป็น9วันซึ่งไอ้วันเดินทางเนี่ยก็จะเริ่มประมาณเวลาหนึ่งทุ่มของวันนั้นของวันที่เดินทางมาอย่างครั้งต่อไปเนี่ยคือช่วงนี้ก็ยังมีการหลีกเล่นอยู่ที่วัดป่าอลวงไโยวันที่4 -12 ถึงสกุมภาพันธ์ก็ขอเวลาเข้ามานิดนึงมาบันทึกรายการวิทยุก่อน จ ส, ส่วนครั้งต่อไปก็จะเป็นของเดือนมีนาคมนะอย่างวันที่สามสิเอ็ดถึงวันที่แปดเมษาสามสิเอ็ดมีนาถึงแปดเมษาอย่างเงี้ยสามสิเอ็ดมีนาเราก็จะเริ่มกันตอนหนึ่งทุ่มแต่ว่าจะมีการประทุมนิเทศตอนสี่มงเย็นแบราะนันทนที่ต้องการจะมาเนี่ยก็จะต้องมาตั้งแต่ก่อนเที่ยงหรือเที่ยงนี่แหละไม่ให้เกินนี้เพื่อที่จะได้มาเข้าที่พักจัดแจ้งอะไรต่างต่า เ, เนื่องจากว่าการจะอยู่ตลอดเจ็ดวันเนี่ยนะคุณเตือนใจมันจะต้องมีการเตรียมการทั้งอาหารที่พัก คุณจะนอนได้ไหมคุณจะเดินทางไหนไอ้ความกุ้นเคยอะไรต่างๆคุณจึงต้องมีการกรอกใ บ, บสมัครมาแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนนะักคือคประเภทที่มาปุ๊บแล้วจะเข้าเลยเนี่ยบางทีคุณจะไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันไมด้มันเต็มบ้างอะไรบ้างเีย้ยถ้าถ้าไม่เต็มก็พอจะรับได้ถ้าเต็มนี้ก็คงจะต้องปฏิเสธไปนะเพราะฉะนั้นจึงจะต้องให้ลงทะเบียนมาก่อ น, นเพื่อที่จะทราบยอดได้ล่วงหน้านะแล้วก็มาถึงในวันเดินทางมาเนี่ยให้มาถึงประมาณเที่ยงอย่างเงี้ย เราก็จะได้เข้าที่พักตเตรียมสิ่งของอะไรให้เรียบร้อยจะเป็นปรมนิเทศตอน4ี่โมงเย็นแล้วก็เริ่มปฏิบัติกันตอนหนึ่งทุ่ในส่วนวันสุดท้ายตอนกลับก็จะเลิกประมาณ6กโมงครึ่งของตอนเช้า6กโมงเช้าครึ่งของวันที่วันสุดท้ายคือวันที่8เมษายนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะอยู่วัด7วัน7คืนเต็มใช่ไหมแล้วก็เพิ่มวันเดินทางไปกลับนั่นก็จะเป็นทั้งหมด9วันตรงนี้ค่ะ ก็เรียกว่าเป็นกฎระเบียบที่ทางวัดคิดว่าหรือพระอาจารย์ไพบุต์ในฐานะพระอาจารย์ผู้อนวยการหลักสูตรเห็นว่าในระยะเวลานี้แหละจะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมณวัดป่าดอนไหโศกนั้นเนี่ยได้เกิดศรัทธาประสาทะแล้วก็ได้อะไรดีๆ เรียกว่าปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จ ะ, ะนํามาปฏิบัติที่บ้านได้แล้วก็ถือเป็นการปฏิบัติบูบชาที่เรียกว่านํากลับมาทําสืบต่อเพราะอย่างที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าคะว่าการที่เราจะปฏิบัติธรรมทำจิตของเราให้สงบนั้นเนี่ยมันต้องหมั่นฝึกเยอะๆนะเจ้าค่ะจิตจะได้มีกําลังใช่ไหมเจ้าค่ะ ใ, ใ, ในเรื่องของจํานวนวันนี้เนี่ย อ, อย่างสมมติทําไมเราใช้7วันใช่ไหม คือถ้าเราจะมากกว่านี้มันก็ยิ่งยิ่งดีอ่นะแต่สำหรับคนที่มีกิจการงานมากอย่างคราวาสเนี่ยมันกว่าจะลาได้เนี่ยโอ้ยสมัยก่อนเราเป็นคราวาสเนี่ยเราก็กว่าจะลาได้เนี่ยต้องตรีมการสิบสองเดือนคุณเดินใจและบางคนเนี่ยต้องตรีมการข้ามปีนะว่าไอ้ปีนี้ฉันจะทําอะไรมันมันยากเพราะฉะนั้นเจอไอการลาเนี่ยถ้าจะลาสองสัปดาห์เนี่ยโอ้คุณเลิกคิดไปเลยแล้ถ้าแค่สี่ห้าวันเนี่ยยังพอได้อยู่บ้างแต่ถ้าน้อยกว่านี้นะถ้าเราจัดสี่วันห้าวันสามวันอย่างเงี้ยมันก็จะมันคือว่ามันไม่ได้ มีเขาเรียกว่ากําลังในการที่จะ เ, เห็นความสงบได้นะจุคาก็เลยลงตัวที่7วันตรงนี้แล้วถ้าคุณลาตรงกลางได้จะมาเสาร์อาทิตย์ของอาทิตย์ถัดไปก็ยังได้เป็นทั้งหมด9วันพอดีอย่างเงี้ยเราก็จะจัดกลางในในช่วงนี้ลักษณะนี้จุคาแล้วก็บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมาไม่ไม่เต็มได้ไหมมาแค่2วัน3วันอย่างนี้ได้ไหมหนะก็จะสําหรับคนเก่าเนี่ยที่เคยมาหลีกเล่นแล้วจะสามารถมาได้นะคุณจะมา2วันนี้3าวันตรงนั้น หรือก็สีวันตรงนี้คุณได้เท่านั้นถ้าเป็นคนเก่านะคนที่เคยมาหลีกเลนแล้วอย่างน้อยอย่หนึ่งครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะต้องทราบกฎริเบียบอะไรต่างๆถ้าเข้าทางออกทางนี้ทีไร่อะไรเงี้ยคุณจะต้องทราบมาก่อนนะเพราะว่าคนใหม่เนี่ยจะยังไม่ทราบคุณจะต้องมาเข้าเต็มก่อนนะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการสอนที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันคือไม่ใช่ว่าทุกวันสอนเหมือนกันหมดใช่ไหมแต่ละวันก็จะมีการไล่ไปเพื่อที่จะให้เราทําจิตให้สงบให้เห็นตามที่เป็นจริงยังไงยังไง นะธรรมะอะไรต่าง ๆ, ๆที่อยู่ในแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นสําหรับผู้ที่มาครั้งแรกเนี่ยจะต้องเข้าให้ครบทั้งทั้งเวันเต็มอย่างนี้เจค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่จะสมัครเป็นลูกศิษย์หรือว่ า, าเข้ารับการอบรมกับหลักสูตรปริรกเก้นปฏิบัติธรรมะตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนหายสูงจังหวัอดอุดรธานีของเรานะเจ้าค่ะก็จะต้องมาให้ครบ ให้ทราบก่อนส่วนท่านที่เคยไปมาแล้วอย่างโยมนี้เคยไปมาแล้วสองครั้งเนี่ยก็ถ้าหากว่าต้องการที่จะไปร่วมเมื่อไรก็ยังสามารถที่จะกราบขออนุญาตว่าจะเจาะไปวันนั้นวันนี้คือเท่าที่เวลาที่รัชคารเราสามารถจะลาได้ไดถูกไหเจ้าคะ่ะถูกต้องถูกต้องสำหรับ <c oughs> คนเก่านี้ทําได้เจ้าค <c oughs> นะ่ะแล้วก็ไอเรื่องของตารางเวลาในแต่ละวันเนี่ยก็อมาก็จะมาดูจาก ก็เรียกว่าข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้านะคืออย่างเช่นว่า้กระบวนการที่เราใช้วิธีการเนี่ยเราก็เอาข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้นะเราจึงเรียกหลักสูตรนี้มาหลักสูตรจากพระโอษฐ์นะลักสูตรจากผู้โต๊ะโอษฐ์นั่นก็คือว่าเอาข้อวัดปฏิบัติของพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้หมดเลยเช่นการรับประทานอาหารใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกให้รับประทานอาหารมื้อเดียวโอเคเรากินมื้อเดียวนะคือเวลาเช้ามื้อเดียวจบมื้อแรกของวันกลางวันทําอะไรกลางวันก็กินอาหารว่าง อาจจะเป็นผลไม้บ้างทั่วต้มบ้างเพื่อที่จะสําหรับบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยคุณจะต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมซึ่งสิ่งเหล่านั้นพอจะพิจารณาเป็นยาได้นะก็จะมีะให้ช่วงตอนกลางวันก่อน11อก่อนเที่ยงนะช่วง11โมงส่วนตอนเ ย, ย็นก็จะมีน้ําปานะใช่ไหมก็จะเป็นส่วนประกอบของผลไม้ต้นไม้หรือว่าใบไม้รากไม้เนี่ยที่มันมีคุณสมบัติเป็นยาได้อย่างเงี้ยรู้ว่ า, เ, าเป็นโอโสดนะเจ้าค่ ะ, ะใช่ก็สามารถพิจารณารับประทานได้ตรงนี้แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอย่างเช่นว่า การที่ให้มีการเดินจงกรมอย่างเงี้ยก็จะมีพุทธเจ้าก็ให้เดินจงกรมใช่ไหม อ, อันนี้ส่งของการเดินก็มีอยู่หลายอย่างนะทำให้มีความอดทนทําให้อดทนต่อการเดินทางไกลแตนะ่ทำให้มีคนที่มีโรคน้อยนะสมาธิที่ได้จากการเดินก็ตั้งอยู่ได้นานด้วยนะเพราะนั้นจึงให้มีการเดินก็จะมีทางเดินจงกรมให้นะพอกินข้าวเสร็จปุ๊บคุณไปเดินเลยไปเดินหนึ่งชั่วโมงไปแล้วค่อยกลับมาฟังทำต่ออย่างงีนะ้คุณค่ะ หลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วไม่เคยนึกภาพหรือว่าไม่เคยไปวัดป่าดอนไหยโศกนะเจ้าคะ อ, อาจจะนึก ในใจว่าเอ๊ะพระอาจารย์จะให้ไปเดินตรงไหนแต่ก็เดนก็ขออนุ ญ, ญาตในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของวัดป่าดอนไหโศกด้วยเนี่ยก็ขอเรียนว่านายบริเวณวัดป่าดอนไหโศกนั้นเนี่ยสมชื่อวัดเลยนะคะเพราะว่าจะมีบริเวณร่มไม้ที่สวยงามร่มรื่นมากเลยนะคะเหมือนเป็นป่านี่แหละคะ่ะแล้วก็มีทางเดินที่ว่าเป็นตามธรรมชาติเลยที่เราสามารถจะแยกกันไปเดินจงกรมกันได้อย่างสะดวกเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ก็เรียนขออนุ ญ, ญาตเรียนเพิ่มเติมตรงนี้นะะ เจ้าค่ะผู้จัดเจ้าค่ะมีมูลต่อเลยเจ้าค่ะประเด็นต่อไปที่ต้องการพูดถึงก็คือเรื่องของวิธีการปฏิบัตินะก็จะมีวิธีการปฏิบัติอยู่หลายอย่างในเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวบางคนเขาก็สอนอรู้ลมหายใจใช่ไหมบางคนก็สอนอนาปนาสติสอนนามรูปสอนสมัมมาอรหังสอนยุบเนอพองเนอสอนพุทโธต่างๆมีเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแล้วที่นี่เราทำยังไงเราก็ทำแบบที่พระพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้าคือเราเอาข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามาหมดเลย นะคือเรียกว่าในวัดเนี่ยคุณก็จะเห็นป้ายอะไรที่เป็นพุทธวจนะทั้งนั้นแหละนะตามเสาตามต้นไม้อะไรต่างมีนะพอมานั่งในชั่วโมงก็จะให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธวัจนะใช่ไม้มพระเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยทำอะไรนะพระองค์ก็ใช้ลมหายใจนะพระองค์บอกว่าอีอาณาปันสติเนี่ยเป็นตถาคตวิหารคือเครื่องอยู่ของตถาคตเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าเองเพราะฉะนั้นเราก็จะอาให้ในการปฏิบัติแบบลมหายใจทีนี้หลายๆลาท่านจะสงสัยว่อาอ้าวแล้วกระผมที่ฉันนี่ปฏิบัติ พุโทโธมาก่อนนะรู้การเครื่อนไหยของการมาก่อนหรือว่ า, ายุบหน่อพองหน่อมาก่อนนี่จะทําได้ไหมอันนี้คําตอบได้ง่ายๆเลยเป็นพุทธวิชชาด้วยบอกว่าพระเจ้าบอกถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยนิพพานเนี่ยนะเป็นเป็นการไปที่ไม่สามารถเดินไปได้นะไปถึงด้วยไม่ใช่ด้วยการนาการไปแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบนะไม่ว่าจะวิธีปฏิบัติแบบไหนเนี่ยถ้าอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาหอยู่ในหลักของสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยไม่ว่าจะวิธีการปฏิบัติแบบไหนนะคุณก็ได้หมด บางคนอาจจะถนัดการพิจารณาความตายอย่างเงี้ยบางคนอาจจะถนัดการพิจารณาสุภาษะหรือบางคนก็อาจจะไปเห็นความเป็นอนัตต า, าเห็นกายด้วยหรือก็ไปเห็นพุทโธเดี๋ยวยุบเนาะพงองเนาะโอ้ยมันมันได้หมดอ่ ะ, อะเพราะทั้งหมดเนี่ยมันจะพุ่งไปสู่นิพพานได้เเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณปฏิบัติแบบไหนก็แล้วแต่ไม่มีปัญหานานมาปฏิบัติแบบอ น, นาปานสติดูแล้วก็จะสามารถต่อเนื่องได้เหมือนกันแล้วเรามันก็มีลมหายใมนะจมาตั้งแต่แรกนะตั้งแต่คลอดออกจากของแม่โผล่ออกมาเนี่ย ก็มีลมหายใจเลย ใ, เเใช่เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดแล้วนะมันจึงเป็นวิธีปฏิบัติที่สามารถทําได้นะคือเราไม่จําเป็นต้องอุปโลกหรือว่ากําหนดสมมุติอะไรขึ้นมาทั้งสิ้นนะก็เป็นวิธีพระพุทธเจ้าที่ให้ให้ทําด้วยนะพอทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ลองมาทําดูคือไอ้วิธีการปฏิบัติอื่นๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะนะคุณเฉินใจเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่มาอยู่การหลีกเล่นปฏิบัติเนี่ยก็อยากจะให้ลองวิธีการแบบที่พระพุทธเจ้าทํา เราจึงตั้งชื่อหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตรจากพุทธโอษฐ์พระพุทธเจ้าทำยังไงเราทําอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะก็เรียกว่ญญาเดินตามรอยพระบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงในการที่จะปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติบูชาเพื่อที่จะไปถึ ง, ญญา น, าถงนิพพานนะเจ้าค่ะซึ่งในการไปอบรมเนี่ยโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่สนใจหลายๆท่านเนี่ย ก็อาจจะนึกในใจแล้วล่ะว่าในแต่ละวันที่พระอาจาราย์ไพบุญอภิพุนโหนะพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรบอกว่ า, าจะเสนอหรือว่ามีการนําเสนอเรื่องราวจากพุทธวจนะที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยนะเจ้าคะพระอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าคะว่าแต่ละวันตั้งแต่เริ่มต้นพระอาจารย์จะปูพื้นอย่างไรเพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านฟังแล้วเนี่ยก็จะได้ พอนึกภาพออกนะเจ้าคะว่าที่วัดป่าดอนไหโซของเราเนี่ยมีธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่ามีการสอนที่ทําให้เราจิตใจเรียกว่าสงบอย่างแท้จริงแล้วก็สามารถปล่อยวางได้จริงๆนะเจ้าค่ะตามลําดับขั้นตอนกันอย่างไรบ้างนิมนต์เจ้าค่ะก็จะไม่หนีจากหลักของอริยมรรคมีองแปดใช่ไหมผู้เชี่ยวพูดถึงลาดับแรกก่อนนะก็คือเรื่องของศีลที่นี่เราก็จะให้ปฏิบัติศีล8ปดทุกคนที่มาที่นี่เป็นศีลแหมดเลย นะสินแปดก็คือมีสีนหข้อในข้อที่3ก็เว้นจากการเปลี่ยนเป็นเว้นจากการประพฤติก ร, รมอันไม่ใช่โภมาจันทร์นะแล้วก็ให้ประพฤติโภมาจันทร์แล้วก็ข้อที่สี่ห้าห้าหกเ็นี่ยก็คือว่าอนอนบนที่นอนที่ไม่สูงนะยัดด้วยไม่ยัดไม่ยัดด้วยนุ่นและสลําลีนะแล้วก็เว้นขาดจากการดูดื่มน้ํำมาเว้นขาดจากกา ร, รประทับประดาชัดช่วงมาลาของหอม แล้วก็ไม่ดูการอะไรเล่นพวกนี้เจ้าคะ่ะก็เรียกว่า<ส>อพอไปถึงปุ๊บนี่ทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือนี้จะต้องโดนทางอาชญาทีเก็บเลยนะเจ้าค่ะเรียกว่าครูผู้สอนผู้ช่วยสอนเนี่ยต้องเก็บไว้ต้องฝากไว้ใช่เจ้าค่ะฝากไว้ก่อนก็ยังรวมถึงเครื่องประดับอะไรต่างๆเราก็เก็บไว้หมดคือเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีความกังวลเจ้าค่ะนั่นคือจะเป็นส่วนหนึ่งของกฎการหลีกเล่น ในกระบวนการเล็กๆนั่คือว่าคุณไม่พูดกันนะไม่ส่งภาษาท่าทางกันแล้วก็โทรศัพท์เราเก็บเลยนะเาขามีค่าอะไต่างเก็บขึ้นหมดนะคือเราเก็บไว้เราก็เก็บไว้ในตู้เซฟน ะ, ะให้อยู่ความสบายใจได้แล้วก็โทรศัพท์เนี่ยมันมันจะคอยกวนเพรว่าเราก็เก็บซับปิดซัเอาแค่7จวันเท่านั้นเองแลคุณหมด7วันแล้วคุณจะไปโทรหาใครเรื่องของคุณเลยสบายใจได้ แ, แต่ในช่วง7จวันนี้ขอให้เก็บไวนะ้เก็บไว้กระทางเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ให้อยู่ในศิล8เท่านั้นเอง ก็เรียกว่าทําให้เรา <c oughs> รู้สึกว่าเราตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งแสนจะวุ่นวายนะเจ้าคะแล้วก็มามุ่งที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็ตามคําที่องค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ว่าพระองค์ท่านดําเนินการอย่างไรเราก็ดําเนินการไปตามนั้นเรียกว่าเป็นเจวันที่มีคุณค่าที่เราจะได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้พบความสงบที่เราอาจจะไม่เคยได้พบมาก่อนในชีวิตนะเจ้าค่ ะ, ะแล้วก็นอกจากเรื่องของการเก็บ คือกฎของารลีกเล่นใช่ไหม<ด>เรื่องของสินแต่เนี่ยลําดับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสมาธินะโดยไปใน3วันแรกเนี่ยเราก็จะให้ท่านผู้หลีกเล่นเนี่ยพยายามที่จะทําจิตให้สงบนะคือมาเนี่ยบางคนจิตฟุ้งซ่านจิตคิดนั่นนี่เนี่ยอาจจะมีบางท่านมีความคิดว่าโอ้ฉันจะมาตั้ง7วันนี้ฉันต้องมาก่อนไหมต้องมา2อวันก่อนนะเพื่อการเตรียมตัวนะที่จะทําให้จิตสงบอันนี้ก็มาได้นะแต่อย่างไรก็ตามในช่วง3วันแรกเนี่ยเราก็จะเตรียมตัวคือให้ท่านผู้หลีกเล่นทั้งหลายเนี่ย ไดปฏิบัติโดยการที่จะละนิวรทําจิตให้สงบอะไรต่างๆนะแล้วพอช่วงวันท้ายๆนะตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปนก็จะสอนถึงการพิจารณาการเห็นตามที่เป็นจริงวิปัสสนาในรูปแบบต่างๆนะให้ปล่อยว่ามุมนี้ปล่อยวามุมนั้ในะให้ปล่อยวามุมนอนอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่7ในะซึ่งแต่ละวันก็จะมีเนื้อหาไม่เหมือนกันนะเร่งความเพียนตรงไหนตรงนี้ทําจิตให้สงบอ ย, ย่างไงนิ่งเหมือนภูผาหินเป็นยงงังไงลักษณะนี้ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไปตามหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไอ้ข้อปฏิบัติต่างๆอย่างเช่นว่าการให้พระเจ้าเนี่ยให้เดินนั่งตลอดทั้งวันจำอะไรเรามีให้เดินแล้วเราก็มีให้นั่งด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีการนั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยร่วมกันใน1 น, นวันเนี่ยก็จะมีสี่คาบคือตอนเช้าสายบ่ายเย็นสี่คาบแล้วก็พระเจ้ายังพูดถึงเวลาที่เราจะปฏิบัติสมาธิเนี่ยจะทําให้ลึกซึ้งลงไปได้เนี่ยคุณต้องฟังธรรมะด้วย ดังนในตอนค่าเนี่ยเราก็จะมีให้ฟังธรรมะใ น, ใ น, ในทุกๆวันวันละประมาณชั่วโมงหนึ่งใ น, ในตอนค่ำหนึ่งทุ่ไปแล้วอย่างเงี้มเจ้าค่ ะ, คะก็เรียกว่าเริ่มกันตั้งแต่ตีสี่นะเจ้คาค่ะพระอาจารย์พอจะบอกคาบต่างๆได้ไหมเจ้าค่ะเผื่อว่าท่านผู้สนใจจะได้ดูภาพออกอะเจ้คาค่ะว่าจะต้องไปปฏิบัติกัน อ, อย่างเคร่งครัดแล้วก็ทําให้ได้ผลอย่างจริงจังเนี่ยในวันหนึ่งสี่ครั้งนั้นเวลาใดบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็จะตื่นตีละครั้งปลุกตอนตีสี่ครึ่ง นะแล้วก็มานั่งสมาธิร่วมกันตอนตีหนะ้าชั่วโมงที่ปฏิบัติร่วมกันนี้ก็จะมีตีหาถึงหกโมงเช้านี่คือภาคเช้าภาคสายก็จะ9ก้ามงถึงส0บโมงภนะาคบ่ายก็บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งภาคเย็นก็ตั้งแต่หกโมงถึง1ทุม่มนะแล้วการปฏิบัติของเราก็จะฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งรอบสุดท้ายก็สิ้นสุดประมาณ3ทุม่มนะแล้ววันรุ่งขึ้นก็เริ่มตอนตีสี่ครึ่งอีกเหมือนกันเจค่นะก็เรียกว่าเป็นกิจวัตรที่ผู้้ที่จะตองการไป ร่วมหลักสูตรการ ปฏิบัติตรีเร้นปฏิบัติธรรมะตามหลักพุทธโอษของวัดป่าดอนไหโศกนั้นต้องปฏิบัตินะเจ้าคะ่ะเป็นประจำอย่างเคร่งครัดแล้วก็ด้วยความตั้งใจยมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับคนที่จะไปปฏิบัติที่วัดป่าดอนไหโศกนั้นก็คือต้องมีความตั้งใจจริงที่จะไปะศึกษาปฏิบัติกันอย่างแท้จริงซึ่งอ น, นั้นก็จะได้ผลอย่างมากเลยนะเจ้าคะ่ะคือคื อ, คอมันจะไม่เหมือนกับเราไปโรงแรมห้าดาวนะคุณเจเจ้าคะ่ะคือถ้าเราไปโรงแรมห้าดาวเนี่ยเราหวังความสะดวกสบาย เขาต้องรับริการรับทุกอย่างอาหารต้องถึงความสบายต้องถึงแอร์ต้องมีทีวีต้องมีโทรศัพท์ต้องมีพวกนี้เหมือนโรงแรมห้าดาวโนนนนโรงแรมหดาวแต่ว่าถ้ามาวัดเนี่เรามาหาความสงบในใจเนี่ยจะไม่เหมือนกับไปโรงแรมห้าดาวแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปลาบากถึงหนาดกินเกลือกินดินอยู่นอนกลางดินกินกลางสไม่ใช่อย่างนั้นเราก็มีที่พักที่กินเนี่ยตามอัตราภาพตามอัตราภาพนี่ก็คือโอเคละคือดีพอสมควร แต่ก็จะไม่ใช่เลิศหรูอลังการเหมือนอย่างโรงแรม5้าดาวก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่นี้เรามาหาความสุขในใจเพราะฉะนั้นความสุขในใจเนี่ยจะหาได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตมีบริการน้อยอย่างเงี้ยโอย บ, บางคนนะคุณตนใจเขามาลีกเล่นเนี่ยคือคือคนอื่นนะนะเขาเอากระเป๋าใบเปล่มเลยก็ในมีทุกอย่างเลยรองเท้าเสื้อผ้ากี่ชุดกี่ชุดแบบนี้แบบนี้โอ้โหมีทุกอย่างก็คือเราก็อาศัยการเลี้ยง<อ>ง่าย นะก็คือว่าไม่ใช่ไม่ดีคือการตรีมตัวมาเนี่ยมันดีแน่นะแต่ว่าเราก็ให้เป็นคนเลี้ยงง่ายด้วยเหมือนกันอย่างพระสงฆ์อย่างเงี้ยมีแค่บาทกับจีวรเนี่ยไปไหนสบายละเหมือนกับนกเนี่ยมีภา ร, ราของมันคือปีกสองข้างนะไปไหนั้นก็บินไปเลยเจในลักษณะนี้ก็ให้เลี้ยงง่ายอย่างนี้นะอืเจ้าค่ะแต่โยมยืนยันได้อย่างนะคะว่าเอ อ, อาหารที่ บรรดาคุณแม่ครัวทั้งหลายที่มีจิตศรัทธามา <c oughs> ทําให้อิสานกันนั้นเนี่ยอร่อยจริงๆ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นแบบ อ, อิสานเราแต่ว่าก็มีผสมหลายอย่างอันนี้ก็คิดว่าท่าผู้ฟังทางบ้านไม่ต้องกังวลรับรองว่าอาหารดีเลี้ยงดูอย่างดีแล้วก็ทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มีกฎระเบียบหมดเลยนะเจ้าคะ <c oughs> พูดถึงเรื่องอาหารนิดนิดหนึ่งด้วยว่าอาหารที่เราจัดให้นี่ก็จะเป็นอาหารมังสวิรัตินะคือเป็นอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์คือถ้าครัวของเราทําเองเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตั้งแต่ไนตรายเนี่ยเราก็จะ คือมีคนที่จะมาร่วมบุญด้วยนะโดยการเขาจะเอาเนื้อสัตว์มาถวายเอาอาหารมาถวายเนี่ยเราก็คือบอกเราก็ไม่รับพวกนี้ยแต่พอมาระยะหลังๆนี่ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเรามามีความคิดว่าเอ้เรามาเป็นคนกีดกันทานของคนอื่นหรือเปล่าในหมายว่าคนอื่นเขาจะต้องการจะให้ทานนี้เรากีดกันทานของเขาเนี่ยพระพุทธจ้า บ, บอกคนที่กีดกันทานของเขาเนี่ยไม่ใช่เพื่อนแท้นะ ừ, อพระาะงั้นเราก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไร นะถ้าคนอื่นจเขาจะมาร่วมบุญด้วยเนี่ยโดยการเอาอาหารอะไรมาเนี่ยถ้าเขาเอาเนื้อสัตว์อะไรมาเราก็จะจัดขึ้นก็นแล้วกันนะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าท่านแต่และคนเนี่ยจะพิจรารณารับประทานหรือไม่แต่ว่าโรงกลัวของเราก็กทํามังสวิรัตนะแล้วก็ถ้ามีอาหารอื่นๆที่มันไม่ใช่อาหารมังสวิรัตปรับปนบ้างเนี่ยก็<ม>แล้วแต่คนจะพิจรารณาก็แล้วแต่คุณแล้วแต่ผู้ที่มาเล็กเลนจะพิจารณาเอาแต่เราจะไม่กีดกันทานของคนอื่นนะเป็นคน<ม><ม>ที่เลียงง่ายด้วย อย่า ง, งานีน้นะเจ้าค่ะสาธุเลยเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วก็มี อ, อย่างหนึ่งที่โยมอยากจะขออนุญาตที่จะใช้เวลาสองนาทีสุดท้ายของรายการเราในเช้าวันนี้เจ้าณนะเจ้าค่ะ <c oughs> ว่าสําหรับท่านที่ต้องการสนใจที่จะมาร่วมหลักสูตรเป็นลูกศิษย์ ข, ของพระอาจารย์ไพบูญอภิพุโนและพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสอาดธิตโภพโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหโศกนั้นเนี่ยในหลักสูตรการรีเลลนปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธวจนะนั้นเนี่ยก็ เป็นผู้ที่จะต้องเรียนได้เลยว่ามีความตั้งใจจริงที่จะไปร่วมและที่สําคัญที่สุดยมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนย้ําตรงนี้ว่าในการมาร่วมหลักสูตรนั้นเนี่ยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ใดๆทั้งสิ้น<ช>นะเจ้าค่ะ แต่ตอนนี้ก็อยากจะขอให้พระอาจารย์ได้สรุปว่าอเอ๊ะทาไมในเมื่อท่านทางวัดเนี่ยให้คนมาปฏิบัติธรรมกันครั้งละเป็นร้อยคนโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะเนี่ยนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าทําไมเรายังสามารถจัดอยู่ได้ อ, อันนี้ก็อยากจะให้พระอาจารย์เล่านิดนึงเจ้าคะ่ะว่ารุ่นพี่ๆที่ปฏิบัติธรรมไปแล้วนั้นเขามีหลักปฏิบัติอะไรบ้างที่เป็นบุญกุศลให้ตัวเองด้วยแล้วก็ได้เอื้อประโยชน์แก่รุ่นน้องๆด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็คือว่า ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแน่แตซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาจากไหนค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟพวกนี้มีซึ่งเราเอามาจากไหนเราก็เอามาจากผู้ที่เขาเคยมาหลีกเล่นก่อนๆแล้วเขาเห็นประโยชน์เนี่ยต้องการให้มีการจัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาก็เลยบริจาคนะทําบุญมาใน ต, ตรงนี้แล้วก็เอาปัจจัยเหล่านั้นมาใช้แต่ส่วนคนรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยคือเราจะไม่เก็บกับค่าราคาอะไรนะมีแต่ว่าถ้าคุณต้องการจะทําบุญกูก็สามารถทําได้ แลนะซึ่งถ้าเราเห็นประโยชน์เนี่ยเราก็สามารถทําบุญเพื่อที่จะให้มีการจัดครั้งต่อๆไปเพื่อรุ่นคนต่อๆไปได้อย่างนี้เจ้าค่ะก็เรีย <c oughs> กว่าจากประสบการณ์ของโยมนั้นเนี่ยเรียกว่ารุ่นพี่ๆหรือคนที่ไปปฏิบัติแล้วเนี่ย เ, เกิดศรัทธานะเจ้าค่ะ <c oughs> ก็ตอนก่อนวันสุดท้ายก็จะแย่งกันฝากเงินไว้ทําบุญ <c oughs> ให้ให้เพื่อที่ว่าจะให้รุ่นน้องๆได้มีข้าวได้ได้ทานหรือว่าอะไรในระหว่างการปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะซึ่งอันนั้นก็คือเป็นเป็นบุญด้วยใช่ เจ้าค่ะซึ่งสำหรับเดือนเมษายนนะเจ้าคะ่ะก็จะเป็น31มีนาคมเสาร์ที่31ถูกไหมเจ้าคะ่ะกระทั่ถ ง, ง <8. S 1> ถึงวันอาทิตย์ที่8เมษายนอันนี้โยมขออนุ ญ, ญาตจองผ่านอากาศเลยนะเจ้าคายอยุ่อยากไปนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าเราสามารถหยุดงานแค่4ี<ม>่วันเพราะว่าวันที่6ซึ่งเป็นวันเกิดของโยมเองเนี่ยก็เป็นวันจักรีก็หยุดงานอยู่ ดังนั้นลาราชการแค่สีวันเนี่ยเราสามารถไปอยู่ได้เป็น10วันอย่างนี้ยมขอจองอจุดนี้เลยนะเจ้าคะ่ะร่วมด้วย1นึ่งคนแล้วก็ในเดือนเม ษ, ษาเนี่ยก็จะเป็นรอบที่มีการปิดเทอ ม, มเพราะนั้นก็จะมีสามรอบติดกันเลยเจ้าค่ะสามสิบเอ็มีนาถึง8เมษาสิบสถึงสิบสอเมษาแล้วก็28เมษาถึง6พฤษภาสามรอบติดกันตรงนี้ น, นิยมต้องขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งเลยเจ้าค่ะเพราะว่าพระอาจารย์นั้นเนี่ยจะรู้ว่าอยากจะให้น้องๆที่เป็นเยาวชนนะเจ้าค่ะปิดเทอมอยู่ก็อยากจะให้ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อว่าจะยกระดับจิตใจหรือทําให้มีสมาธิมีศีลมีปัญญาก็จะเรียนหนังสือดีขึ้นนะเจ้าค่ะจิตใจ ก, ตก็ดีแล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่ด้วยอืเจ้าค่ะ พระอาจารย์ฝากท้ายนิดนึงเจ้าค่ะก่อนที่เราจะลากันในเช้าวันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็คิดว่าจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยถ้ามีความประสงค์จะมาเล่นแลนปฏิบัติแล้วก็ให้สมัครมาก่อนดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อคเ c อ o ์ c o m ในนั้นก็จะมีรูปภาพมีข้อมูลนะกฎระเบียบต่างๆอยู่ในนั้นอย่างละเอียดทีเดียว luangpordoctor.com นก็ไปดูข้อมูลกันได้เิญพรเจ้าค่ะเจ้าค่ะ สำหรับรายการธรรมะรับป ร, รุณในเช้าวันนี้ก็เรียกว่าเต็มเหยียดรายการเลยนะเจ้าคะ่ะคงจะไม่ต้องสรุปอะไรแล้วก็ขออนุญาตที่จะกราบนำสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนเป็นอย่างสูงเจ้าคะ<ช>่ะที่ได้เมตตา ม, มาสากาักษาเช้าวันนี้กราบลาพระอาจารย์ไปด้วยละเพียงแค่นี้นะเจ้าคะ่ะกราบนำสการกราบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะเชิญผานสาทุเจ้าคะ่ะ